คนมักจะถามว่าสติกับสมาธินี่มันต่างกันยังไงดูไม่ ค, คล้ายกันสติกับสมาธิครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับเราเลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่งวัวมันก็ชอบเพ่นพ่านไปกินข้าวไปหรือไปกินผักของบ้านคนอื่นเขาก็เลยต้อง เอาเชือกมามัดเอาไว้กับหลักเมื่อวนั้นเนี่ยมันถูกลามไว้กับหลักมันก็ไม่ไปไหนมันก็อย่างมากก็เดินวนไปรอบๆหลักแล้วในที่สุดมันก็จะอยู่นิ่งๆนอนนิ่งๆไม่ไปไหนอาการที่นอนนิ่งๆนี่ก็กเปลี่ยนมันก็สมาธิ วั น, นี่ก็เปรียบมันก็จิตจิตมันจะอยู่นิ่งเป็นสมาธิได้ก็เพราะว่ามันถูกเหนียวเอาไว้กับอารมณ์หลักหรือเสานี่ก็เปรียบเส ม, มือนกับอารมณ์ที่เราใช้ในการกำหนดใจลมหายใจหรือว่าอิริยาบทการเคลื่อนไหวหรืออาจจะเป็นงานที่เราทำอยู่ เช่นหล้างจานอ่านหนังสือก็ได้เชื่อนี่ก็เปลี่ยนมันกับสติสตินี่เป็นตัวเหนี่ยวเหนี่ยวจิตเอาไว้กับอารมณ์ให้เข้าใจว่าอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่หมายถึงสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องกำหนดหรือเป็นงานที่จะให้จิตได้จดจ่ออยู่ ตามลมหายใจก็ใช่ทำครัวหันพักจิตก็อยู่กับการหันพักมีสติรู้ในทุกขณะที่หันพักอันนั้นก็ใช่หรือว่าเดินบินทบาทจิตก็อยู่กับการบินทบาทไม่วอกแวกไปไหนจิตที่เหนียวอยู่กับอารมณ์นะ หรงานที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันมันก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นนั้นก็พูดอย่างนี้นก็คือว่าสติก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิถ้าเราทําแล้วก็ตามมีสติกับรถอย่างมีสติกวาดลานวัดอย่างมีสติล้างจานอย่างมีสติสมาธิก็เกิดขึ้นนะเป็นอัตโนมัติ เมื่อเกิดสมาธิขึ้นก็จะเกิดความความสุขน้อยๆ น, นะเพราะว่าจิตที่ไม่แสบซ่าจิตที่ตั้งมั่นและสะงบนะมันก็เป็นจิตที่มีความสุขในะสติสมาธิแล้วสุขนี่มันก็เชื่อมโยงกันสติเป็นปัจจัยเกิดสมาธิแต่บางทีมีสมาธิแบบไม่มีสติก็มีนะมีสมาธิแต่ไม่มีสติอย่างเช่น เวลาอ่านหนังสือเนี่ยอ่านนิยายดูหนังมีสมาธิมากเลยจนลืมลืมนอนลืมว่านักคนเอาไว้ลืมทําการบ้านอันนี้เป็นบ่อยอันนี้เราคงพบได้ในชีวิตประจําวันมีสมาธิมากจนลืมอันนี้เรามีสมาธิแต่ไม่มีสติสติจะทหํหนาที่เป็นเตือนเป็นตัวเตือนเวลามันจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีสมาธิจนลืมตัว สติก็จะเตือนแต่ถ้าไม่มีสติก็จะลืมลืมหลับลืมนอนลืมว่านัดใครเอาไว้หรือว่าลืมตัวก็มีเช่นกำลังขับรถอยู่กําลังขับรถอยู่เปิดเพลงหรือเปิดน่าแต่เทปธรรมะและใจมันก็ไปอยู่กับตรงเทปธรรมะหรือเพลงนั่นแหละจนเป็นสมาธิก็ลืมลืมว่ากําลังขับรถอยู่ก็อันตรายมากหรืออย่างเราคงเคย เจอนะบางทีมีสมาธินั่งสมาธิอยู่จิต น, น, นิ่งๆเลยแต่ว่าพอเสียงโทรศัพท์ดังมาหรือมีเสียงฟ้าผ่าก็ตกใจหรือที่ไม่ต้องฟ้าผ่าแล้วเพียงแค่ว่ากิ่งไม้หักมากระทอ ก, กหลังคาเสียงดังขึ้นมาก็ตกใจ อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสตินะมีสมาธิแต่ไม่มีสตินี่เป็นเรื่องธรรมบดาแต่ถ้าเรามีสติแล้วนี่มันก็จะพาไปสู่สมาธิได้ง่ายให้เข้าใจอันนี้ในเรื่องการเจริญสตินะอย่างที่พู้เมื่อวานว่าถ้าเราเจริญสติก็ทำด้วยความรู้สึกที่สบายๆอย่าทำไปด้วยความความอยาก อย่าทำด้วยอาการหน้าดำคล้ำเคร่งอย่าทำเพราะต้องการเอาชนะหรือทำด้วยอาการที่ต้องการควบคุมจิตเอาไว้ทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นเพราะความอยากมันเป็นวิชาวายมะนะไม่ใช่สัมมาวายมะหรือความเพียรชอบหลวงพ่อเทียนเมื่อเวลาท่านแนะนำคนที่มาใหม่ๆอย่างเทีนเคยแนะนำตอนที่ผมไป ไปวัดสนามในวันแรกประโยคแรกที่ท่านบอกก็คือว่าให้ทำเล่นๆทาเล่นๆแต่ทำจริงๆหมายว่าทำเล่นๆแต่ทำไปเรื่อยๆ อ, อันนี้คนไม่เข้าใจเวลาจะทำอะไรนี่ก็ต้องทำด้วยความมุ่งมั่นต้องโหมต้องบังคับตัวเองในเรื่องทางโลกนี้การทำด้วยความรู้สึกแบบนั้น ไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้สำเร็จได้ด้วยเช <_ d ata> ่นโอมในการเรียนหนังสือโอมมุ่งมั่นที่ทใช้คาว่ามุมานะมุมานะจะเอาให้ได้อันนี้ในการเรียนหนังสือหรือว่าในการทำงานมันก็ได้อยู่หรอกแต่เรื่องของการบาเพ็ญทางจิตนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเราทำด้วยจิตที่ เคร่งเครียดทำด้วยความอยากจิตมันจะเสียสมดุลไปการเจริญสตินี่มันต้องอาศัยการประคองจิตยอยู่บนอยู่บนทางสายกลางหรือเราเจ๊กว่าอยู่บนความพอดีพอดีก็ได้คือถ้าหย่อนไปมันก็ไม่ได้ผลถ้า ตึงเกินไปก็ไม่ได้ผลเวมือเราาขี่จักรยานเนี่ยคนขี่จักรยานใหม่ๆถ้าจับแขนส้นแน่นเลยตัวเกรงไปหมดเมลวลาขี่จักรยานตัวเกรงเกรงที่มือเกรงที่แขนเกรงที่ตัวก็ขี่ลำบากทรงตัวไม่ได้บทก็ลมหรือว่าถ้าไม่จับหรือว่าย่อหย่อน เวลากิจักรยานก็ย่อหย่อนปล่อยตัวมันก็ล้มได้เหมือนกันเกรงก็ล้มไม่เกรงหรือว่าหย่อนก็ล้มมันต้องพอดีพอดีถ้าพอดีพอดีแล้วก็ทรงตัวได้การเจริญสติกอเคคลายอย่างนั้นแหละคือเป็นการประคองจิตให้อยู่บนความพอดีความพอดีในแง่ที่ว่าไม่ตึงเกิน ไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนสมวพอเทียนท่านใช้คาว่าทำเล่นๆก็เพื่อจะให้นักปฏิบัติที่ทำด้วยความตั้งใจให้ผ่อนคลายลงหมายความว่ามันจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรตั้งหลักใหม่จะฟุ้งไปกี่ครั้งก็ไม่หงุดหงิดไม่ลาคาญใจไม่โทษตัวเองเวลาเราทำไรเล่นๆเนีย่ยมันผิดมันพลาดไปก็ เราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าทําด้วยความตั้งใจด้วยความอยากด้วยความคิดที่จะเอาชนะกิเลสหรือความฟาุ้งซ่านแล้วมันก็จะเครียดที่แรกก็เครียดที่ใจก่อนตอนหลังก็เครียดที่กายปวดหัวแน่นหน้าอกบางทีก็ปวดไหลปวดมือปวดขาสุดแท้แต่อาการของแต่ละคนแต่ที่มักจะเป็นคือว่าปวดหัวแล้วก็ แน่นนะ้าเพราะว่าลมหายใจมันถี่มันเกร็งเราทำอะไรที่มันเกร็งเนี่ยมันจะเกร็งทั้งใจทั้งกายแล้วก็กลายเป็นเหนื่อยและที่สำคัญก็คือว่าจะพยายามเอาชนะความคิดจะพยายามควบคุมจิตไม่ให้คิดอย่างไรมันก็ไม่ยอมเพราะจิตมันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเรามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา จิตนี่ถูกฝึกมาอย่างไรถูกเลี้ยงมาอย่างไรเขาก็ไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเราสั่งว่าให้หยุดจิตจิตก็ไม่หยุดเราสั่งให้จิตหายเศร้าจิตก็ไม่ยอมหายเศร้าเราสั่งสังให้จิตหายโกรธจิตก็ไม่ยอมหายโกรธสั่งให้จิตหายง่วงจิตก็ไม่ยอมมีนําซ้ํายิ่งไปห้ามยิ่งไปบังคับนั่นก็ยิ่งพยศพยศขัดขืน ยิ่งห้ามให้คิดก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่สุดท้ายก็เลยทอ้อแท้พอทอ้อแท้เลยเลิกดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้นักปฏิบัติหลายคนก็มาลงเอยแบบนี้กันเยอะเพราะออกทำด้วยความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะอยากมีอยากเป็นอยากได้หลวงพ่อเทียนนั่นก็เลยแนะก็แนะทุกคนแหละไม่ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆ จริงๆในประโยคที่สองหมายความว่าทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆถามว่าปฏิบัติยังไงเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ท, งทีแรกก็นึกว่าให้ทำตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นตามเวลาราชการพวกเราเป็นคนเมืองเราไปเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อเทมบอกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยดีที่ท่านไม่ได้บอกให้ทาตอนหลับด้วยเราก็ งงนะเพราะว่าเราลุ้นว่าถ้าทำแบบทุ่มเทแล้วนี่มันทําทั้งวันลําบากแต่ที่จริงถ้าทําแบบที่ท่านนะี่ยทำไปเล่นๆมันก็ทําได้นะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเย็นข้อสาคัญคือต้องวางจิตวางใจให้เป็นทําด้วยจิตที่ผ่อนคลายแล้วก็ประคองจิตให้อยู่บนทางสายกลางในแง่ที่ว่าทางสายกลางนี่หมายถึงว่า ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งข้างแรกก็คือการปล่อยใจฟุ้งซ่านปล่อยใจลอยอปล่อยใจลอยนี่เป็นทางสุดตรงทางหนึ่งอีกทางนึงคือการบังคับกดข่มเอาไว้มันจะคิดไม่ให้คิดเวลามันหงุดหงิดก็ไปกดมันเอาไว้เนี่ยคนเรามักจะเอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งคือใจลอยปล่อยใจลอยฟุ้งซ่าน หาเรื่องให้มันคิดเพราะใจลอยแล้วมันเพลินรู้ไหมว่ายิ่งทำอย่างนั้นมันยิ่งฟุงซ่านยิ่งเครียดไหนซึ่ก็เครียดส่วนบงคลที่ติดดีนะมีความตั้งใจมากก็จะบังคับไม่ให้มันคิดแต่ยิ่งห้ามมันก็ยิ่งยุมันก็ยิ่ง ย, น ย, งยุนอกจากปล่อยใจลอยแล้วเราก็ตามใจกิเลสอันนี้ก็เป็นลนักษณะคนทั่วไปตามใจกิเลส ตามใจกิเลสทั้งฝ่ายฝ่ายบวกฝ่ายลบมันอยากสนุกก็สนุกอันนี้ก็ลักษณะเดียวบคนอยากใจลอยอยากจะเพลินก็ปล่อยมันเพลินหรือโกรธใครสักคนก็ทำตามกิเลสคือความโกรธนึกแช่งชักหักกระดูหรือหนักก็่านั้นก็มันโกรธอยากด่า ก, ก็ด่าไปเลยอยากทำา้ายใครก็ทำา้ายไปเลย นั่นนี่เป็นลักษณะหนึ่งอลักษณะนึงก็คือไปกดข่มห้ามมาไว้กดไม่ให้โกรธนะไม่ให้โกรธถ้าความโกรธไม่ได้เป็นไหนนะมันก็ไปโผล่ที่ตรงอื่นบางรายนี่อาการหนักอย่างเช่นบางคนนี่ทะเลาะกับพ่อทเลาะไปทะเลาะมาพ่อด่าด้วยถ้อยคําที่รุนแรงเจ้าตัวซึ่งเป็นผู้หญิงก็ลืมตัว เงื่อมือขึ้นมาจะตกจะฟาดเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ห้ามเอาไว้ก็เสียใจแต่ว่าความโกรก็ยังมีอยู่ก็ไปกดเอาไว้ทั้งความโกรธทั้งความเสียใจพอรู้สึกว่ามันไม่ดีที่ลูกจะไปโกรธพ่อไม่ดีที่ลูกจะไปทำร้ายพ่อกดเอาไว้ไม่พยายามทำตามความโกรธกดเอาไว้แต่ว่าไอ้ความโกรธนี่มัน ทุ่มทามก็ไม่ไปไหนหรอกมันก็ไปโผล่ที่อื่นผลก็คือว่าผหญิงคนนี้ก็วปวดปวดแขนยกมือไม่ขึ้นยกมือไม่ขึ้นไปหาหมอเท่าไหร่ก็หมอหาไม่หายเพราะว่ามันไม่ได้มีอาการที่กายต่มันเป็นเกิดจากการเก็บกดความโกรธเอาไว้หรือบางคนเป็นคนที่เรียกว่าเวลานึกถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศเรื่องความรักแบบหนุ่มสาวแล้วถูกสอนมาว่ามันไม่ดีมันสกปรกก็พยายามไปห้ามไม่ให้คิดเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็ไปโผล่ที่อื่นจะมีอาการแบบย้ำคิดย้ำทำเช่นชอบล้างมือชอบทำความสะอาดมือเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ ก, การคิดแบบนั้นเป็นเรื่องสกปรก ไอความคิดที่ว่ามันสกปรกนี่มันก็ไปโผล่ที่ความรู้สึกว่า ม, มือมันไม่สะอาดมันต้องล้างมือเสมอล้างมือแบบย้ำทำอันนี้มันเป็นเพราะอากาศไปกดเอาไว้ซึ่งก็ไม่เป็นผลดี ต, ตามใจกิเลสก็ไม่ดีไปกดมันเอาไว้ก็ไม่ดีต้องทํำยังไงทางสายกลางที่อุจาไดสอนน้อยคือการมีสติไม่ทําตามกิเลสไม่ทําตามความโกรธก็จริงแต่ว่าก็ให้เห็นรู้เท่าทันความโกรธ เมื่อเรารู้แล้วมีสติรู้ไอ้ความโกรธนี่มันก็คลายพิษสงลงมันไม่มีที่ตั้งเพราะว่าจิตเนี่ยเหมือนกับเก้าอี้ที่ว่างอยู่ตัวเดียวถ้าหากว่าสติขึ้นไปนั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นแล้วมันก็ไม่มีที่จะให้ไอ้ความโกรธมานั่งมาแทรกได้จิตเรารับได้อารมณ์เดียวแะเมื่อเรามีสติคือความรู้ตัว ไอ้ความโกรธนี่มันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งในจิตแต่บางคนก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมโกรธก็รู้ตัวนะแต่ทำไมยังโกรธอยู่ก็เพราะว่าเรารู้ตัวแต่เดียวๆความรู้ตัวก็หายไปไอ้ความโกรธเลยเข้ามาแทนที่เหมือนกับเราขับรถรถที่มันแล่นแรงๆเราแตะเบรคถามว่าทำไมแตะเบรคแล้วรถยังแล่นต่อก็เพราะเบรคที่เราแตะนี่มันไม่แรง ขณะที่รถที่มันแล่นด้วยความเร็วบางทีอารมณ์ของเรามันแรงแต่ว่าสติของเรามันอ่อนรู้ตัวประเดี๋ยวเดียวก็หมดแรงนะหมดแรงก็ไอความโกรธมันก็เข้ามาแทนที่พอรู้อีกทีความโกรธก็หายไปแต่ก็หายไปได้ไปเดี๋ยวเดียวสติหายความโกรธเข้ามาแทนนี่ยมันอาการที่ความโกรธมันเข้ามามันมันเร็วมากเหมือนรถที่แล่นด้วยความเร็วแตะเบรก รถมันก็ยังแล่นต่อไปเพราะเบรคของเรามันยังเป็นเบรคที่ไม่ดีแล้วก็ความเร็วของรถมันก็แรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจเจริญสติให้มากๆสติของเราก็จะมีกําลังมีกําลังที่จะกดเปลืองความโกรธหรือว่าความทุกข์นั่นออกไปจากจิตใจได้แล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่มันโกรธนี่พอเราไปยึดเอาไว้ เราไปยึดเอาไว้ได้วยความลืมตัวเราไปยึดเพราะเราใจเรามันเผลอไปคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วแต่ที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ยังยึดเอาไว้หัวนึกไปถึงเรื่องอดีตแล้วก็ยึดเอาไว้ยึดอารมณ์นั้นเอาไว้ไม่ยอมปล่อยถ้าเราไม่มีสติความรู้ตัวเราก็จะไม่รู้หรอกเรายึดมันเอาไว้แต่พอเรามีสติ รว่าเราไปยึดเอาไว้มันก็ปล่อยออกไปอย่างมีนักปฏิบัติธรรมยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาพบว่าสามีเขานอกใจคบกันมาใช้ชีวิตกันมาสิบกว่าปีนึกว่าจะลงเอยด้วยดีแต่ปรากฏว่ามาพบโดยบังเอิญว่าสามีนอกใจเาโกรธมากโกรธแบบโวยวายแทบจะทำลายข้าวของ ท้ายก็หย่ากันความโกรธนี่เขาบอกว่ามันเล่นงานเขาถึงสามวันแล้วก็พอหย่ากันก็ดูเหมือนก็จะจบลงด้วยดีความโกรธก็หายไปเขาก็นึกว่าเออดีนะที่ปฏิบัติธรรมโกรธได้แค่สามวันแต่ว่าหลังจากนั้นหกเดือนผ่านไปเขาไปเข้าปฏิบัติธรรม แดวัน7คืนพอเดินจงกรมพอนั่งหลับตาค่นี้แหละไอความโกรธนี่มันไม่รู้มาจากไหนเล่นงานเต็มที่เลยเดินก็โกรธนั่งก็โกรธรู้เลยว่าที่ตัวเองคิดว่าความโกรธนี่มันมาแค่สามวันแล้วหายที่ไม่ใช่มันไม่ได้หายไปไหนไมเงแต่มันซ่อนเอาไว้ พอเรเหล่ามันก็โผล่มาใจมันหัวนึกเรื่องที่ผ่านไปแล้วยิ่งนึกก็ยิ่งโกรธโกรธก็ทําให้นึกต่อไปเพราะความโกรธมันมีรสชาติเราโกรธใครแล้วก็นึกถึงเขานึกถึงหน้าเขาถึงการกระทําของเขาแล้วยิ่งนึกก็ยิ่งโกรธรู้สึกก็แย่มากเลยแต่ก็มีช่วงหนึ่งหลังจากเดินผ่านไปได้3ามสี่วันเขาเดิน จงกลมเอามือประสานไว้ที่ท้องเดินเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกเมื่อยมือเข้ามือประสานไว้ที่หน้าท้องเนี่ยพอรู้สึกเมื่อยมือเขาก็ปล่อยเรากลวว่านอกจากจะสบายกายแล้วมันสบายใจอย่างที่ไม่เคยมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเพราะตอนนั้นก็ได้รู้สึกขึ้นมาเลยว่าโอ้เพราะเราปล่อยนะมันถึงสบาย ที่เราทุกข์เพราะเรายึดเอาไว้ไปยึดมือเอาไว้มันก็เลยเมือ่อยแต่พอปล่อยก็สบายปัญญามมนเกิดขึ้นตรงนี้เองว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดเอาไว้เรื่องที่ผ่านไปมันไม่ยอมปล่อยสักทีไอตอนที่ปัญญาเกิดมันเกิดขึ้นเพราะการปล่อยมือได้คิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าใจนี่โล่งเลยใจนี่โลง่ง มันเบาอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่ารู้ว่าที่เราทุกข์นี่เป็นเพราะเราไปยึดเอาไว้เพียงแค่ปล่อยเท่านั้นมันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปอันเนี้ยเขามีสติรู้ตัวในขณะที่เขาปล่อยมือนั่นเองแต่ที่ยึดเอาไว้เพราะไม่มีสติแล้วเนี้ยเรื่องของอารมณ์ที่มันที่เป็นแทงจิตใจเนี่ย ถ้าเรารู้จักวางประคองจิตไว้เป็นอยู่บนทางสายกลางคือไม่ตามใจกิเลสและขณะเดียวกันก็ไม่กดข่มกิเลสแต่ว่าให้รู้เห็นมันเพียงแค่รู้เท่นานั้นตัวรู้ที่มันมีพลังมากเวลามานมาหลอกมาลังควานตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพออระอัครสาวกแล้วจนถึงพิสุพิษุณีทั้งหลาย มันมาหลอกด้วยอาการสารพัดทั้งมายั่วยวนทั้งมาชวนให้ศึกทั้งมาชวนให้ไปของเราจะสมบัติหรือว่าหลอกทําให้เกิดแผ่นดินไหวหรือมารังควานมาสิงอยู่ในท้องวิธีหนึ่งที่พระเจ้าเรนแหนที่จะสู้กับหมายคือว่าให้รู้ว่าเนี่ยเป็นอุบายของมาร อย่างมีขานมานี่มันทําแผ่นดินไหวทําให้พระรูปดวงนี้ตกใจคือพระสมิทธิพระสมิทธิก็ไปหาพระเจ้าเราปัญหาให้ฟังพระเจ้ารู้ว่านี่เป็นอุปายของมานก็แน่ว่าพระสมิทธิว่าให้บอกไปเลยว่านี่มานผู้มีใจชั่วยอยากเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเพราะพูดชนนี้แหละมานี่มัน ยอมแพ้เลยมันก่อนที่มันจะไปก็ลำพึงว่านิพัสสิมิติรู้จักเราแล้วภัสสมิทติรู้จักเราแล้วกับพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันนะมาหลอกมาสิ้นอยู่ในท้องพระโมคคัลลานะไม่มองทําอะไรมากก็พิงอุลวะนี่ชี้หน้าบอกว่านิมาลพูดใจบาเรารู้จักเจ้าแล้วไ้คําว่ารู้จักหรือว่ารั่วว่ามันมาเ ก, กาะกลวนี่ยมันมีพลังแล้วเนี่ยคือพลังของสติ พังสติกาลที่เรารู้รู้เพียงแค่รู้เท่านั้นเพราะเมื่อรู้แล้วมันก็ละละไปได้เองแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องวางประคองจิตให้ดีถ้าเราไปเพ่งเมื่อไหร่สติมันก็ไม่เกิดเพราะว่าตัวรู้มันไม่ทำงานแล้วต้องคลายลงและที่สคัญอีกอย่าง น, นึ่งคือว่าต้องประคองจิต บนทางสายกลางไม่เหวียงไปทางเพ่งเข้าในหรือสง่งจิตออกนอกสงก่งจิตออกนอก น, นี่เราก็รู้กันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ปฏิบัติแต่พอมาปฏิบัติมันจะสง่งจิตเข้าในหรือเพ่งเข้าในจริงไปเพ่งดูความคิดหรือไปเพ่งที่เทา้าไปเพ่งที่มือหรือพอกลัไปการไปเพ่งที่ความคิดนี่ต้องระวังการจุลสตินี่มันต้องเรียกว่า รู้ทั้งนอกและรู้ทั้งในแต่รู้นอกนี่ก็ไม่ไายความส่งจิตออกนอกจนกูไม่กัะแล้วก็รู้ในก็หมายควเาเพ่งเข้าในอยู่ตรงกลางๆงที่เรียกว่าทางสายกลางนี่แหละหลวงพ่ อ, เ, อเขียนเคยเล่านะสมัยที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆหั่ป่าพุทธยานหลวงพ่อเทียนก็ชอบมามักจะมาสอบอารมณ์ วันหนึ่งท่านก็ปิดประตูกุฏิแล้วก็ปฏิบัติอยู่ข้างในหลวงพ่อเทียนก็มามาข้างหน้ากุฏิแล้วถามว่ากำลังทําอะไรอยู่หลวงพ่อคําเขียนก็บอกว่ากาลังปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อเทียนก็ถามไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนครับหลวงพ่อเทียนถามต่อไปว่าอยู่ในห้องนี้ เห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อมเขียนบอกไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงเห็นข้างนอกเขเปิดประตูพอเปิดประตูมาท่านก็ถามต่อไปว่าเห็นข้างในไหมเห็นครับเห็นข้างนอกไหมเห็นครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละปฏิบัติอย่างนั้นแหละอาทีแรกหลวงพ่อมเขียนบอกไม่เข้าใจแต่ว่าพอปฏิบัติไปสักพักก็เข้าใจว่าอ๋ท่านหลวงพ่อเทีย น, นท่านมาแนะให้ วางใจให้เป็นกลางๆไม่เพ่งเข้าในนะเพ่งเข้าในนีเหมือนก็ปิดประตูไว้ไม่เห็นอะไรเพ่งเข้าในจกนกระทั่งไม่รู้ไม่รู้ข้างนอกนี่เราก็ต้องการปฏิบัตินี่มันต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าถ้าเพ่งเข้าในเมื่อไหร่มันอาจจะสงบนะเหมือนก็ปิดปิดอยู่ในห้องก็ดูสงบแต่จริงไม่รู้อะไระเพราะการปฏิบัติเราไม่ได้เอาความสงบแต่เราเป็นการสร้างความรู้ตัว รู้รู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่เอาสงบสงบนี่มันมันไม่จีหลังยั่งยืนเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมแต่ว่าถ้าเรารู้ไม่ว่าจะอยู่ไหนให้ความรู้นี่แหละที่ทำให้เราละจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบได้แล้วก็ทำให้มีความโปร่งความสว่างอันนี้ก็เป็นเป็นหลักที่เราต้อง คำหนึงไว้เสมอนั้นการเจริญสติจึงมันเป็นทางสายกลางจริงๆมันเป็นทางสายกลางที่ทําให้เราไม่คล้องแวะกับทางสุดโต่งสองทางไม่ว่าจะปล่อยใจลอยหรือว่ากดห้ามความคิดไม่ว่าจะตามใจกิเลสหรือว่าบังคับกดข่มอารมณ์ความรู้สึกพวกนั้นไม่ใช่ทางแต่สตินี่แหละถ้าเราประคอง ใจเอาไว้ให้มีสติคืออยู่ตรงกลางกลางสติก็จะเติบโตได้เร็วแล้วก็ช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตบนทางสายกลางได้ดียิ่งขึ้น